بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة ا للمتقين و ا ع و ا ن ا ل ل على ا ل ظ ا ل م ي ن وأصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أم ب ع ل سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كا في الذي ي ُ ط เรียนวิชาตัฟศิลมาเป็นเดือนแล้วนะครับคงกลับมาสานต่ อ, อศึกษาเรียนรู้กันพดัดาบัตรลัสุภานุวาลาอันสูงส่งอันเป็นทางรอดเป็นทางออกสำหรับมนุษยชาติในทุกวาระที่มีในชีวิตของตัวเขาและเราเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในยุคปัจจุบันที่หลายหลคน อาจมองไม่เห็นความเกี่ยวข้องระหว่างคำเพียลกุรานหรือตำรัดโลสุภานวาตาเหลานถูกประทานลงมาเมื่อพันสี่ร้อยกว่าปีมุสลิมเราก็บางคนก็ยังมองว่ากุรานั้นเสมือนเป็นบทสวดเป็นบทไว้ประกอบพิธี <c oughs> จึงใช้ในกรณีที่ไม่เกี่ยวกับคนที่มีชีวิตเช่น เอาคุรานไปอ่านสําหรับคนตายหรือเอาคุรานไปใช้ในการเอึดงานเองเดียวนั่นหมายรวมว่าบทบาทของอัลกุรานในเรื่องอื่นเช่นบทบาทอัลกุรานในการพิทักษ์ศาสนาอิมัมบทบาทของอัลกุรานในการเพิ่มพูนอิมัม บทบาทของอัลกุรอานในการช่วยให้มนุษย์ชาติค้นจัดวิกฤตต่างๆเช่นวิกฤตทางจิตใจวิกฤตทางสังคมวิกฤตทางการเมืองวิกฤตทางเศรษฐกิจ <c oughs> บทบาทอันควรอา่านในการช่วยให้มนุษย์นั้นหาคําตอบได้ต่อทุก ป, ปัญหา ที่ทางสติปัญญานั้นจะเคร่งเครียดเนื่องจากว่าไม่ได้พบคำตอบที่ที่ต้องการที่อยากได้บทบาทของอัลกุรอานในการแก้ไขปัญหาระหว่างสามีภรรยาบทบาทของอัลกุรอานในการ <c oughs> ให้มนุษยชานั้นมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการใช้ชีวิตในโลกนี้ แม้ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดลอ้อมเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพเกี่ยวกับการบริโภคเหล่านี้ทั้งหมดที่มันมีคำตอบชัดในคุรานแต่เราไม่ได้นำมันคุรานมาให้มีบทบาทเฉ่นเช่นที่อัลลสุบฮ า, า, านาอัลลอประสงค์คุรานทุกประทานลงมาให้เป็นฮีดายะให้เป็นทางนำ ใช่เป็นทางนำอย่างที่อลัลละฮ์ต้องการให้ให้เป็นสำหรับพวกเราหรือเปล่าอันนี้เป็นภารกิจของผู้ศรัทธาทุกคนนะครับที่จะต้องมาทบทวนบทบาทของเราในการฟื้นฟูบทบาทของอัลกุรอานนะครับการเรียนรู้ตับซีฟความอัลกุรอานทุกสถานที่ทุกเวลาที่ไหนก็ตาม ก็ถือว่าเป็น <c oughs> ส่วนหนึ่งในภารกิจที่ผู้ศรัทธาทุกคนจะต้องทำนะครับการที่เรามารวมตัวกันด้วยความอนุเคราะห์นะครับจากคณะกรรมาการมูลนิธิสันทิชนที่ได้กรุณาเพื่อเฟื้อให้อำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่เพราะเดี๋ยวนี้นะครับน้อยที่จะมีะ <c oughs> มัสมซิบหรือ อุค์กรต่างๆที่จะรณรงค์ให้เรียนรู้ตามมัสยิดซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับอัลกุรอานกุรอานถูกประทานลงมาส่วนมากในมัสยิดถูกเรียนรู้ถูกศึกษาในมัสยิดมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยนบีแต่มาดูซีในบ้านเราเราศึกษากุรอานกันหน่อย มีที่ไหนที่มีการศึกษาคุรันในมัมสยิด บ, บ้างถ้ามานั่งนับกันเนี่ย ถ, ถ้าเปิดเป็นประเด็นหน้านับสิกี่มสัสยิดมีอยู่บานเรามีอยู่หกพันกว่ามสัสยิดมีกี่มสัสยิดที่จัดตั้งเรียนรู้คุรานสอนกุรันสอนอ่านกุรันสอนความหมายคุราน <c oughs> และที่สาคัญกว่านั้นน่ะคือสอนสอนให้เข้าใจอัุรน เข้าใจเข้าใจเจตนารมณ์ของละซุพฮานอวตารในคุรานนะครับนี่เป็นประเด็นสำคัญเราได้อธิความหมายคุรานในสุรษะอัลมาอิดะห์ข้38พูดถึงเรื่องการขโมยข้ีะซุฮานวตาลาัากาก ตัดเอาอีดีเยมา جزاء ะมิมักศบลคาร์มินอัลลอฮฺัลลอฮฺอัลานะครับสี่มีอายะตันเนียที่เกี่ยวกับอายะนี้นะครับที่เรายังไม่ได้อธิบายแต่จะอธิบายสั้นๆเพราะเคยผ่านมาแล้วจำนวนนี้แหลายครั้งนะครับรัสูพาเนวตาได้กล่าวต่อไปว่าสําหรับคนที่ขโมยแล้วก็มีบทบัญญัติให้ลงโทษในโลกดุงญานี้ตามเงื่อนไข ที honesty, 谢谢่ได้ศึกษากันมาแล้วอถ้าคนนี้ขโมยนี่เตบัตัวกับเนื้อกับตัวเราบอกว่า فمن تام من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله رفيع رحيم ผู้ใดสานึกผิดกับเนื้อกับตัวหลังจัดการอาธรรมของเขาการอาธรรม ظ ุ م ظلم กคือการที่อาธรรมตัวเองอาธรรมตัวเองคือกระทําสิ่งที่ทําให้ลงโทษแล้วก็สูญหายเสียหายอาวอัยวะแต่ใครทํำมะตัวเองทําทําตัวเอง <c oughs> ก็เป็นซุลุมแล้วก็วุ่นมุนนัฟซซุลุมตัวเองแล้วก็อาธรรมสังคมอาธรรมเจ้าของทรัพย์สินที่ไป็นคำว่าอย่างซุลุมแซุลุมก็วุ่นมุลไกรี แเราจาทําอะไรกัน ظلم อัลลอฮ์ดิซมะฮ์ุเบื้อง ظلم อัลลอละเมิดอัลลอฮ์เป็นละเมิดอะไรละเมิด ح د ูดขอบเขตที่อัลลอฮ์วางไว้เป็นการเป็นการแอบนนี่เป็น حدود ีเรื่องขอบเขตนี่ใครละเมิดนี่ก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่นเรื่อง ظلم การ ظلم การละเมิดพระผู้เป็นเจ้าในเรื่องบาปใหญ่เรื่องการละเมิดขอบเขตเนี่ยเรืมุนัส อาธรรตัวเองรุลมุลงให้อาธรรผู้อื่นแล้วก็รุลมุลงลอยผู้อื่นนี่ก็คือที่เป็นมนุษย์เดียกันแล้วก็รุนลมพระเจ้ารุลมุลลอยนเนี่ยมหาที่สุดมันก็คือละเมิดหลักการรุนลมหลักการนั่นเองภายหลังที่ได้อาธรรมของเขาแล้วเนี่ยวาสละห้และแก้ไขปรับปรุงแล้วคือกลับเนื้อกลับตัวเลืก แต่เลิอกอยังเดียวไม่พอต้องแก้ไขแก้ไขด้วยการปรับวิถีชีวิตทำไมอ่ะเพราะคนนี้ขโมยนี่ไม่ได้อยู่ดีๆขโมยนะมันเกิดจากกิเลสกิเลสเกิดจากความเคยชิงความเคยชินเกิดจากความอยากความอยากเกิดจากอิกทธิพลที่ไปฝากตัวไว้ในอิทธิพลของสิ่งแวดลอ้อมที่ไปฝากตัวไว้ในสิ่งแวดล้อมนั้นนั้ ทั้งหมดเลยเนี่ยมันเป็นบรรยากาศก่อนที่จะขโมยเนี่ยอาจจะใช้เวลาสามสีป่ปีเพราะคนไม่ได้เกิดมาจากมดลูกมันดาเนี่ยเป็นขโมยเป็นโจรบไม่ใช่ที่มาเป็นโจรนี่มาที่หลังสะสมมาสะสมมาจนเกิดความอยากที่จะเอาของคนอื่นเขาบรรยากาศสามปีที่มันทำให้ถึงจุดเป็นขโมยเนี่ยนี่พอจะเลิกแล้วเนี่ยมันจะเลิกทั้งหมดเลยไม่มันต้องข จ, จัดไนงั้นเดกับเหมือนเดิม ฉันคนที่เลิกเล้าเลิกยานี่กว่าเลิกไม่กินละแล้วมันจะเลิอกเหรอไม่ใช่เลิกแล้วต้องแก้ไขแก้ไขอะไรอะแก้ไข <c oughs> สารอะอย่างที่เลือดมันยังมีสารค้างของเหล้าสารค้างของยาเสพติดนะเนะจิตใจมันก็มีสารค้างของกิเลสต้องขจัดต้องขจัดใช้เวลาไหมใช้เวลาด้วยอะไร ถ้าสารถ้าเลือดเลือดนี่มีมีเชื้อก็ต้องฉีดยาฆ่าเชื้อ่างทีเชื้อมันเยอะมากหรือล้อกัเลือดเลือดมันมันมีปัญหาหรือไม่พอทำอยังไงก็ต้องเติมเลือดฉีดใส่เลือดเหมือนเลยนะสังเกตดูในหลักการของสรีระเนี่ย ร่างกายของเรานะจะมีหลักการใกล้กเคียงในด้านจิตใจโรคหัวใจต่างๆนะเส้นตีบจิตใจมันจะมีเส้นตีบมีพอเส้นตีบนีนหัวใจวายหัวใจทำงานไม่ได้เช่นเดียวกันพอ เส้นเลือดที่มันหลอนหลอนเลี้ยง إ ي م ا นแห่งจิตใจนี่มันตันไม่มีละไม่มีเส้นเลือดที่จะเลี้ยง إ ي م ا นแกจิตใจแล้ว่ะนะนั่นตันหัวใจหวายไม่ใช่หัวใจสรีระนะั่นเป็นชิ่งก้อนเนะื้อที่วายนะไม่คือหัวใจแห่งจิตใจเนี่ยมันวายแล้วอะไรจะเกิดขึ้นตายหัวใจตายทาอะไรอะ่ะไม่สํานึกไม่ย็นเกรงทำบาปทุกอย่างก็ไม่กลัวทูตหันะี จบแล้วอ um. ิมานมันไม่มีแล้วจบนันนก็ต้องแก้ไขว่าอัลสล่าขโมยเลิกขโมยแล้วก็ต้องมาแก้ไขเลิกคบเพื่อนโจรแก๊งม่เทียบไปเลยนะ บาปใหญ่ทุกประกาเนะี่ยมันมันก็มีอะไรกันมีสโมสรสมโมสรโจนสมโมสร น, นักกินเหลา้าสมโมสร น, นักติดยามันมีสมโมสรที่มีบริบทมีอะไรทุกอย่างของมันอยากจะเลิกเนี่ยก็ต้องยืน่นใบลาออกจาก ส, ม โ, มออกสมโมสรสโมสรออกออกไดลแต่ถ้ายังอยู่ในสมโมสร น, นั้นนะเลิกขโมยแต่เนื่องจากความสนิทสนุมกับบรรดาท่านโจนทั้งหลายเนี่ก็ยัง ยังมีการคุปปสมาคมกันนะกินเขากินเหล้าเราก็กินชาเขาดื่มเบียร์ล้วก็กินกาแฟแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันวันหนึ่งวันหนึงเราก็ต้องกลับกลับสู่ภารกิจของสโมสรต้องเลิกออกมาทุกเรื่องก็แบบเนี้ยอกว่แต่บะเตาบใช่เงินไขของเตาบะีอัลรฮาต้องแก้ไข แกไขปรับปรุงแล้วถ้าทําแบบนี้แล้วนี่เเฟินอินนั่ลลอฮฺไยตูบวกอะไรแท้จริงอัลลอฮฺจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเขาก็คือรับเตบัดก็คือรับความเป็นสมาชิกภาพแห่งผู้ศรัทธาเบ่าของพระองค์ที่รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานา ว, วะตาลาอินนั่ลลอฮฺวาฟุร์ฮิมถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเอ็นดูเมตตาเสมอ น, นะครับ ความตระหนักในเดชานุภาพของอัลลอฮ์อำนาจของพระองค์ที่จะออกบัญญัติตัดมือขโมยและเดชานุภาพของอัลลอ์ที่จะให้อภัยแก่ขโมยที่เต้าบัตัวนี่มันต้องมีความตระหนักในเดชานุภาพนี้อัลลอฮ์จึงย้ำอัลลอมีพระสิทธิ์เหนือท้องฟ้าและ เจ้ามิได้รู้หรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงมีอำนาจในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินอำนาจอำนาจหมาแห่งความเป็นเจ้าของนี่เป็นเรื่องสําคัญนะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องกฎหมายเนระื่องกฎหมายในเวลาเขาพูดถึงพฤติกรรมนะเขาต้องไปไปสอบสวนไปตรวจสอบก่อนว่าไอพฤติกรรมนี่มันเกิดมันเกิดจากใคร เช่นไปทุบไปทุบรถเขาพิสูจน์ก่อนรถนี้เป็นของใครเอามีคนร้องเรียนแสดงเป็นของคนอื่นแต่สูด้ด้วยดูทุบรถเขาทุบรถเขาถ้ามีคนมาเฮ้ยไปทุบรถชาวบ้านทำไมรถของผมพูดออกไหมรถของเขาจ็จบหุบปากเข้าบ้านขาองเข า, ข า, ขา แต่นี่เราไม่ควรจะคือเราจะเทียบแบบนี้เนะี่ยให้เห็นนะว่าในโลกนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าของอะไรอ่ะนะเขาทําอะไรก็ได้ครับว่าเขาสร้างบ้านไม่ได้เผาบ้านอารมณ์เขาอย่างนี้แบบเนี้ย่ซูบุรีมาทําลายตัวเองเนี่ยใครใครกล้าไปพูดอะไรกันชาวบ้านสุบุรีกินเหล้าทําลายสุขภาพตัวเอง เรื่องผมตังของผมนี่ขนาดมนุษย์มยอมรับในตะกานี่นะแต่ว่าที่อัลลอฮ์จัดการในเรื่องที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์นี่ร่างกายของเรานี่ใครเป็นเจ้าของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างมา สร้างมาตั้งแต่เป็นน้ามัสุจิจัดการมาทุกอย่างนี่นะพอเป็นเป็นในขั้นมารดาเป็นเป็นลูกแล้วนี่คลอดมาแล้วเนี่เรายังให้ริสกีรอเลี้ยงมาโดยตลอดจงเติบโตแบบนี้แล้วเตือนไว้แล้วอ่ะขโมยอย่าขโมยนะขโ ม, ย, ข ม, ย, ขมยตัดมือนะขโมยขโมยตัดมือวย่นวายตัดมือเขาทาไมไม่มีความเมตตาไม่มีมนุษยธรรมไม่ต้องมายุ่ง เรื่องของ Allah เรามาย้ําแบบนี้เลยเพราะเรื่องนี้เรืว่าคุยกับพี่น้องต่างศาสนิกหรือผู้ปฏิเสธคุยคุณคุยคยากเลยคุยยากฉะนั้นผมบอกกับพี่น้องเนี่ยเวลาเจอใครมาเถียงเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าคุยเรื่องหลกักก่อนยอมรับในพระเจ้าไหมยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างไหมยอมรับว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าของสรรพสิ่งต่างๆวะถ้าไม่ยอมรับเนี่ยต้องคุยก่อนเพราะ จุดเรี่มของเราในการคุยคืออันนี้จุดเริ่มของเขาในการคุยนี้ไม่ใช่อันนี้ของเขานี่ไม่มีพระเจ้าหรือถ้ามีพระเจ้าพระเจ้าไม่เกี่ยวกับเราพระเจ้าน้อยบูชาในในในศาสนาสถานเนียวพระเจ้าจะมาจัดการเรื่องลงโทษอะไรนี่ไม่ใช่หน้าที่ของพระเจ้านี่มีคนเข้าใจแบบนี้แต่จะมาเถียงเราจากจุดเริ่มแบบนี้มันคุยไม่จบคุยกันคนละเรื่องคนละทิศ แต่วคุยกันจุดเดียวกันเป็นพระเจ้าเป็นเจ้าของเจ้าของผมอินเนลิลาฮิเราเนี่ยเป็นของอัลลอ์เป็นกรรมสิทธิ์ของเราล้วจัดการยังไงแล้วทุกอย่างนี่มันมันจะมันจะมีตะ ก, กะที่สอดคล้องกันซหฮาบะ์คนหนึ่งขโมยแล้วมาสารภาพกั บ, บกนบีนบีตอฮิร์นี่ได้ตรวจชำระมนทินของฉันด้วยฉันขโมย อันนีิสังที้ตัดมือสารภาพตัดมือตัดมือเสร็จแล้วนี่นะ่ะเขาตัดมือนี่มองมองถึงมือตัวเองนะ่ะนบบิสังทำด้วยแล้ ว, วที่อ่อนให้ฉันรอดจะแกแก่จะพาตัวฉันทั้งตัวนี่เข้าไปในรบอันนี้ตัดไปแล้วนี่สแสดงว่าจบละก็จบกันตามหลกักศาสนาดูความนอบน้อมเห็นไหมแต่กะในชีวิตเนี่ยมันจะสอดคล้องกันทุกอย่างนี่มันจะเข้าใจกันนะแต่ <c oughs> คนที่ไม่เข้าใจแต่กะแบบนี้ตั้งแต่ต้นนะนะ ไม่โหดเหรอไม่โหดถ้าตัดมือนี่ไม่โหดอ่ะไม่แรงอ่ะมันก็เขาใจยากมาั <c> ้ง <oughs> แล้วก็พูดกับเราในตระ ก, กะที่เรายอมรับกันว่าใครเป็นเจ้าของอะไรนี่เขจาจัดการทรัพย์สินของเขานี่ตามความประสงค์ของเขาใครไปว่าเขาไม่ได้คำว่า มุลคุสสมาวะแลวดินเลือมุลคุสสภาวะและดิน Allah ทรงมีอานาจในบรรดาชันฟ้าและแผ่นดินทั้งหมดนี้เป็นกรรมสิทธิ์พระองค์อะไรที่อยู่ในแผ่นดินอะไรที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายนี้เป็นของ Allah ทั้งสิ้นดังนั้นมาดิลมายเชโดยที่พระองค์จะทรงลงโทษใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์ะลงโทษยังไงก็ได้ใครก็ได้อะนะก็แล้วแต่พระองค์ วอย่าว่รูปไม่เยีชาและจะส่งอภัยโทษแก่ใครก็ได้ที่พระองค์ทรงประสงค์ใช่สิใครทําผิดเราลงโทษเป็นอำนาจของพระองค์ใครเตบัตรตัวเราให้อภัยเป็นอำนาจของพระองค์นี่นี่คือหลักการที่เราต้องเข้าใจนะครับใน เ, เมื่อเป็นกฎหมายนะดูสิอัลลอฮฺสุภาลนะหัวตาแหละคือค่อยๆสอนเรานะ ค่อยสอนเรานะพี่น้องไปเปิดประมวลกฎหมายทุกสาขาเลยกฎหมายทุกแผนกเลยเขาจะมีไม่บอกว่านี่เป็นอํำนาจของรัฐนะอย่าอย่าอย่าเอะอวอยวายนะนี่เป็นเรื่องของมีมัม้ย <c oughs> ไม่บอกโทษยังนิดทำยังนิดบาดยังนี้คุกยังนี้มีมั้ยปลอบใจบอกเข้าใจนะนี่รักนะ นี่แทบทุกอายะเลยอัลลอฮ์สั่งสอนอบรมทาไมอ่ะอัลลอฮ์ไม่อยากให้เราปฏิบัติหลักการของพระองค์โดยืมไม่เต็มใจทำไมอะย้อมตัดมือย้อมตัดมือต่เขึงทำไมอลเราทำาช่นอย่างนี้ตวไม่ได้ผลระบุอัลลอฮ์ก็บอกว่าสำคัญที่สุดนี่ถ้าเรายอมรับในอำนาจ รับเรื่องความศัทธาเนี่ยอะทุกอย่างที่เราจะทํานี่นะมันจะเป็นผลบุญมหาศาลโดยที่เราไม่คิดแค่ปรับความรู้สึกปรับความเข้าใจนี่คนที่ถือสิ้นอดถือนี่ก็ต้องถือทําไมเอาเราสัง่งือก็ต้องถือแล้วพอใจไหมมันหิวแต่ก็ต้องถือแหละ อ, อ, อาจจะไม่ีออกมาเป็นวาจานะบางคนก็อย่างเงี้ย บางทีบางคนก็หลุดบางคนนะก็หลุดก่อนลาสูบหิวแล้วบ่แต่ข้อแต้อควรจออเลยไม่ไม่ระวังไม่ระวังไอบาดาเนี่คนที่ทำไอบาดาได้ผลและบุญไม่เท่ากันนะ <ừ> คนที่พอใจ <ừ> คนที่มีความสุขในการทำไอบาดาไม่เหมือนคนที่ไม่พอใจไม่เหมือนคนที่ไม่พอใจ คนหมาบนะละหมาบมาละหมาอะไรเป็นอะไรมันหมดหน้าที่ที่คือไม่อยากจะพูดนะเท่นี้นี่ยทำดีกว่าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ได้นะพูดอย่างระวังนะพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เนะแท่งนี้ก็ยังละหมาดิพูไม่ได้อะเก็บพูดเหมือนมุสลิมามุสลิม่าบางคนคุมอย่าง ต่คุมหจับแล้วก็ยังอื่นนี่ทําหมดเลยคุ้มหิจับแล้วขึ้นตื่นตื่นบ น, น, นบนเวทีไปไอะไรตอนนี้อะไรบางคนด้วยความรําคาญนะ้่บอกว่านี้ถ้าอย่างนี้เนีย่ยคุมหิจับเลยไม่ได้อย่าพูดอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าเขาไปแย่เรื่องหนึ่จใจเขาแย่ทั้งหมดเลยนะไอ้นี่มันยังยังละหมาดแต่มีรําคาญนะ่ะเออละหมาดแบบรําคาญดีก็ไม่ละหมาดเลยนั้นมั่นนั่นมันแย่กว่า แต่ต้องเตือนต้องสั่งสอนอย่างที่อัลลอฮ์อย่างที่อลัออลลอฮ์พระเจ้าเราดีเดีย ว, ย ว, ยวไม่ไม่ปล่อยเราแนละ้วคอยดูดูแลคอยดูหัวใจของเราคอยดูจิตใจของเรายัางไงเป็นยังไงพอใจไหมเข้าใจไหมดูคุรานั่นแต่ละอายะห์ที่อลัลลอฮ์สุบฮานะว่ากาเร า, าได้พยายามที่จะให้ให้เราใกล้ชิดกับพระองค์เข้าใจพระองค์มันไม่ใช่เรื่อ ง, รองธรรมดา พรเจ้าดูแลมนุษย์จริงๆแค่เรื่องบัญญัติเนี่ยอยากให้เราทําด้วยความสมัครใจโดยความด้วยความรักด้วยความปราณีต่อพระองค์อะไรั่นกาั้นเจ้าไม่รู้หรือที่อัลลสั่งไปแล้วนี่เจ้าไม่รู้หรืมีพุทธกับท่านนบีแต่หมายรวมว่าโอ้ประชาชาทั้งหลายนี่ฟังเลยนะไม่รู้หรืว่าอัลลอฮ์นี่เจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอัลลอฮ์ะจะสั่งให้ตัดมือสั่งให้ประหารชีวิตเสั่งอะไรไม่รู้อัลลอฮ์ ที่มนุษย์ตัดสินกันเองอย่มนุ้ย์จต้องส ด, ดับฟังต้องทำด้วยกฎนะหมายกฏขฏกฏนะกฎหมายกฏเอะอะไรได้ไหมไม่ได้ถ้าที่อัลลอฮ์สั่งแล้วโอ้โหพูดเก่งเหลือเกินที่เรื่องของศา ส, ะสะนาเรื่องของตุหันนี่พูดเก่งเหลือเกิน الله على كل شيء قدير لا الله لن سندشانه ف الله يدك سيندوجا الله يدوجا لا يسأل عم ا يفعل وهم يسألون سورة الأنبياء. كل مني نت تمر أي نيا تضطر ل สอบ سؤل كل من الله تمر أيه ك ا ل ل ه น่ยสวแม่ฝ่ายพระองค์ทำอะไรไม่มีใครมีสิทธิ์แม้่อัลลอา์ทํทำไมทำอย่างนี้ทำไมเรื่องอะไรยิสิดอะไรท้าทํ า, าไม่ได้พระเจ้าแต่เราบางทีเนี่ยลืมตัวลืมตัวแล้วก็สอบสวนอัลลอฮ์นี่ในทางอ้อม <c oughs> โดยลักษณะ สภาพจิตใจของเราที่ไม่พอใจสิ่งทดียลเราสภานวตาล์าสั่งไว้สิ่งทดียวเราได้กำหนดไว้ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกระทบอีเหมืนในระยะยาวอย่างแน่นอนและม่อยู่ที่มาดีนะเป็นผู้บริหารเป็นผู้ปกครองแผ่นดิน ที่มีประชาชนที่มีความหลากหลายไม่ใช่มุสลิมอย่างเดียวมีมุสลิม ม, ม, ล ม, มียิวมีคริสและ ม, มีพวกมุนาฟิกพวกมุนาฟิกพวกสรับกับก่อพวกไม่แน่นอนพวกยังไงก็ได้พวกนี้นะพวกคลองอย่างใช่ไหม อานเนะี่ยใครอ่ะมุสลิมใครอะที่ยังเข้าใจกุรอานนี่เป็นคำพีเป็นคำพีของมุสลิมต้องเข้าใจใหม่กุรอานเป็นคำพีเป็นบทบรรยาตเป็นคำสั่งสอนสำหรับมนุษยชาติทั้งหลาย คุณอ่านไม่ไดูดถึงเรื่องมุสลิมเพียงเดียวไม่ได้มาสอนมุสลิมให้ปกครองมุสลิมเนียเดียวทาไมก็ อ, อิสลามเป็นศาสนาสุดท้ายแท น, นอิสลามจะต้องมีศักยภาพบทบรรยายอุษะต้องมีศักยภาพที่ปกครองบริหารโลกทั้งหมดโลกทั้งหมดที่จะต้องมีความหลากหลายมีหลายศาสนาอิสลามจะต้องมีความสามารถบริหารโลกทั สุราอันใหม่แนนจะเป็นสุราสุดท้าอย่างที่เราได้บอกตอนตอน้นระยะที่ถูกยกเลิกสุราเนี่ยแทบไม่มีเลยแล้จะเป็นสุราที่เต็มไปด้วยบทบัญญัติที่เกี่ยวกับเรื่องการปกครองการบริหารและจะมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารต่างศาสนาที่อยู่ในสังคม <c oughs> พอพูดถึงเรื่องการตัดมือเป็นบทลงโทษอันหนึ่งนะพิกมุมเลยนะมาพูดกับมุสลิมเรื่องการปกครองบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมซึ่งปัญหาใหญ่ของการบริหารในการปกครองบุคคลที่ไม่อยู่ในสังคมมุสลิมเนี่ยคือทำให้เขาพอใจ ทำให้เขาอยอมรับทำให้เขาอยอมรับในอิสลามอันแรกเลยอะนะศาสนาอิสลามบอกว่าศาสนาใดมีกฎหมายมีบทบัญญัติมีคำสั่งสอนในชีวิตในสังคมมานะไปใช่เลยเราจะไม่เอาอิสลามนี่มาบังคับใช้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิม มีกฎหมายที่ไหนรัฐธรรมนูญที่ไหนในโลกนี้ให้สิทธิการะต่งศาสนิกแบบนี้มีไหมไม่มีมีมุสลิมวันทุกวันนี้ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีศาลฉริ r i ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สามารถตัดสินด้วยอิสลามนีศาลนาต้สามจังหวัดหรือ5จังหวัดภาคใต้นี่นะครับกบตัดสินเฉพาะเฉพาะเรื่อง กฎหมายครอบครัวแพงะกฎหมายแพงที่มีทะเลาะกันเรื่องการเงินนั่นไงเกี่คนอิสลามมีกี่คนแต่ถ้าเกิดสาหม่ยกิดนบีสุลต่าัลลอฮ์อามัลสลัมศาสนาอิสลามมั่ตัวใครตัวมันละกุมดีนุกุมแต่ละกุมดีนุกุมัวเรียดีนี่ยถูกประทานลงมาที่มักกาเป็นสุรอะไรแกรกเลย ศาสนาของท่า น, นยอย่างท่านวิาดินศาสนาของผมอย่งผ ม, ผมและอายานี้เป็นอายะสุดท้ายที่ท่านลงมาที่มาดีนะก็ไม่ยังไม่ยืนยังยืนยันในเรื่องนี้แต่ยังมีปัญหาเรื่องจิตใจของต่างศสน ก, กที่จะไม่พอใจที่จะมีอุบายหรือมีมีเคลื่อนไหวที่จะ ที่จะคัดค้านหรือจะไม่เห็นด้วยกับอิสลามนี่ก็มีอายะที่มาปลอบใจท่านนาบีสลลัลลอฮุอะลัยฮิสสลสอนให้ท่านนาบีเนี่ยได้ระมัดระวังเรื่องอะไรแต่อายะที่อัลลอจะบอกว่าจะตัดสินโดยศาสนาพวกท่านนี่เดี๋ยวมาหลังจากอายานี้อายะสี่สิบสองแต่ช่วงแรกนี่จะอบรมท่านนาบีหน่อยท่า น, นาบีต้องทำใจ يا أيها الرسل و لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين لم ي أ ت و ك يحرفون الكلمة من بعد م و ا ض ع ع يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإلا توه فاحذروا وَمَيُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ ف َ ل َ ن ْ ت َ م ل ِ ك َ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ و ل َ ا ِ ك َ ا ل َّ ذ ِ ي ن َ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ و ن ب ي ي ا ي ه ا ا ل ر س و ل ر س و ل ا أ َ ي ا في ا ل ق ر ن ب ع ل ن ا م ي ن نا Allah ผู้คือนบีเรียกนบียามูฮัมมัดมีขันหัด Allah นะเรียกรัศมีโดยตมนยาอายุหฮะรัศมียาอายุหฮะนบี Allah จึงห้ามสามัญชนทั้งหลายล่กระจ้านุ่งด้วรัศมีใบหน้าคุณกระดูกางที่คุณบาบ่่แง่ถ้าบัตตอารัลคุณวันทุลุศ สู่เจ้าทั้งหลายเนี่ยเรียกนบีเหมือนที่พวกเจ้าเนี่ยเรียกเพื่อนด้วยกันนะฮะเฮ้ยหมัดไม่หมัดเลยเพื่อนเนี่ยมายาโมฮัมมัดมีต่กาเฟดดังนั้นน่ะพวกยิวดังนั้นน่ะพวกที่ไม่นับถือนบีอ่ะที่จะเรียกนบีอ่ะยาโมฮัมหมัดยาบลกาสิมเนี้ยแต่ท้มุสลิมมายานบีอัลลอฮยา رسول และคณะอามานยาอยฮัรสูล เรียกด้วยตำแหน่งเรื่อด้วยตำแหน่งนันหมายรวมว่าใครมีตำแหน่งอะไรนี่ก็ต้องเลียกด้วยตำแหน่งไม่ใช่นี่หมายถึง ว, ว่าไอ้ครบไอ้คอร บ, ออรบล็กก็รู้แล็กก็รู้รู้มารยยะ ในการพูดคุยคุยกับผู้ใหญ่กับผูบ้รู้กับกัคนที่มีอำนาจบารมีในสังคมนี้ต้องให้เกี่ยวเป็นมุสลิมเป็นกา ร, นร์เนิเราต้อ ง, ม, ม, งมุสลิมต้องมุสลิมต้องรู้ตัวท่านอ บ, บีเขียนจดหมายไปยังฮตลฮรัค ล, ลีสเป็นกษัตริย์ฮโรมันอีลาฮิรัต ล, ล์ عظيم the r u h จดกมาจากใคระจากมุฮัมมัดอิบน์อับดุลลห์มุฮัมมัดบุตรของอับดุลลา์สุลลัลอิลัยังฮิรักลอีมีรูมผู้ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันนี่เกียวนี่เกียคนที่มีทิฐิหรือมีอะไรนก็ไม่ชอบใครนี่ก็ก็เรียกธรรมดาแต่ถ้าชอบใครนี่คอยเขสรเลวแค่ไหนยันอู้ขึ้นบนเลย นี่ไม่ความไม่เป็นธรรมในการในการให้เกียรติคนอื่นไม่ถูกต้องนะนะมีสอนลาตะูู ل ุลละนาฟิกซนะัยฮิดะนะยันรียกมุนาฟิกเนี่ยซัยิดะนะแปลว่าอะไรยรัี่กเจ้านายยัีกเจ้านาย ทำไมสยิ่งน่ะนายนายของเราเพราะมันเป็นการยุกย่องรู้ว่ามีคนสับหลับกับพ่อคนศีลธรรมเขานี่ต่ำพวกนี้เนี่ยไม่ควรยุกย่องแต่ถ้าคนดีเนี่ยที่ควรยุย่องในเมื่อมาตรฐานในสังคมนี่มันแช่อะไรใช้สตังวัตถุทรัพย์สินเดั๋วนี้ดวนี้ดูอีอ้อเสื้อแล้ว ต้ดูยี่้อเสื้อดูตรงนี้ของแท้หรือเปล่าดูรองเท้าฮดูกางเกงมันแฟชั่นหรือเปล่ามันตามกระแสหรือเปล่าถ้าจะเห็นคนใส่เสื้อธรรมดาธรรมดาปักกาเขาธรรมดาธรรมดาใส่กางเกงธรรมดาธรรมดาก็ประปฏิบัติกับเขาธรรมดาธรรมดาแต่ถ้า ตามกระแสนี่ก็จะมีอีกสเตปหนึ่งสังคมเป็นอย่างนี้ใช่ไเป็นอย่างนี้แล้วมันลามไปถึงทุกทุกส่วนนะครับในการคัดเลือกบุคคลที่จะมีความสัมพันธ์ในชีวิตของเราเช่นคู่ครองเพื่อนจะเลือกเพื่อนดูดูที่การแต่งตัวของเขาเราเลือกแบบนี้ไม่มีแล้วมายุคสะละปีจะเลือกเพื่อนนี่นะ นั่งเรื่องนี่เป็นเดือนเป็นปีนะกว่าจะกว่าจะสถาปนานี่เรียกว่ามีเพื่อนกูกว่าจะสถาปนาเป็นเพื่อนโอ้ตามก็ไปเรื่อยตามมาสิบละหมาดมาสุ บ, บเออดูถามแล้วดูเขาละหมาดละหมาดยังไงจนกว่าจะมั่นใจว่าเออนี่ใช่ไอแบบนี้เนี่ยเป็นเพื่อนแล้วไม่เสียหายไม่ขาดคุณสามารถรได้ด่านี้เป็นเพื่อนแต่คำนี้นะ รับเพื่นกูใครอเใครก็ไันที่เห็นดาราดันรัเพื่อนผม <c oughs> แล้วมันจะเพิ่มอะไรในชีิตไม่ใช่คือเราต้องการให้สังคมยกย่องให้เราสูงในสายตาของสังคมพอสังคมขอยกย่องคนนี้เราก็สถาปนามาเป็นเพื่อนเลยไม่ใช่อันนเรื่องเรื่องความประพฤต ที่บัดกับคนอื่นได้มาจะเดียวที่อัลลอฮสุฮานตะลาให้เกียรติท่านนบีสลัลลอฮฺมิลัยฮฺอฺฮุลรอซูลลาอี้ฮฺจุนค์กัลลัตินิย <laughs> ์ซาริยุนัฟิลคุฟรีเจ้าจงอย่าให้เป็นที่เสียใจคืออย่าเสียอย่าเสียใจอย่าเศร้าเจ้าจงอย่าให้เป็นที่เสียใจแก่เจ้า ซิ่งบรรดาผู้ที่รีบเร่งกันในการปฏิเสธศรัทธานบีเนี่ยอัลลาาอฮ์ฝากอะไรดีๆกับนบีให้มาบอกกับชาวบ้านมาบอกกับชาวโลกนบีก็เอาสัจธรรมนี้มาบอก น บ, บีด้วยความหวังด้วยความรักด้วยความสงสารนี่เข้าใจว่าคนพวกนี้เนี่ยเขาอยู่เขาอยู่ในแนวทางแห่งความมืดมิดมาตลอดชีวิตถ้าก็เห็นความสว่างนี่เขาจะรีบมารีบมาหานบีรีบมหาบบบมหาสัาธรรมแต่น บ, บีผิดหวังน บ, บีเรียกมาเีมาสู่ความเมตตามา ส, สู่สวนสวรรค์ อ, อที่ไหนได้คนหนีหนีน บ, บีแล้วหนีไปไหนอ่ะหนีไปไหน หนีไปสู่การปฏิเสธศรัทธานี่ตกเสียใจมาเสียใจสิครับคุณหมอเห็นคนกำลังตาอยู่กำลังกายเขาก็บอกว่านี่ถ้าไม่ฉีดเข็มนี้นะไปฉีดเข็มตัวนี้เนี่ยตายแน่แล้วนะหมอก็เลยรีบนะจัดเข็มคนป่วยนี่เห็นหมอกําลังทําเข็มนีู่เนี่ยหนีเลย หมอก็วิ่งตามคนป่วยนี่ไม่ได้ชินยดูตายเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายหมอปฏหน้าที่ด้วยจรรยาบรรณดีด้วยความสำนึกกันนะวิ่งตามคนป่วยไอ้คนป่วยนี่ก็ด้วยความงูความที่ไม่รู้ข้อที่จริงเนี่ยนี่มันไปไหนไปสู่ความตายอตายหมอเสียใจมาบอกก็ต้องมีขนาดหมอน่ะเสียใจนบีไม่เสียใจเสียใจสิครับ อัลลอฮฺบอกะนบีอย่าเสียใจไม่ใช่หมาย ว, ว่าออย่าเสียใจเลยนะเพราะมันบินไปไม่ได้ธรรมชาติแต่ความเสียใจของนบีเนี่ยมันถึงขั้นที่นบีเนี่ยแทบจะข่าตัวตายรู้สึกรู้สึกว่านี่นแสดงถึงจิตใจจิตใจที่ที่โอภของของนบี ดาว่าคนละคนไม่เอาอยู่มาก็สิบสาปีเนี่ยดาว่าอยากพี่น้องสวนมากไม่เอาดาว่าสาวกเพื่อนฝูงที่เคยอยู่ด้วยกันสวนมากก็ไม่เอาดาว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในภูริชก็ไม่เอาคนในวีจะแทบแทบจะฆ่าตัวตายฟาละอัลลกตบะฮิยุนนัฟซิกะเขาเ้าจะฆ่าตัวตายด้วยความเสียใจพวกเขาไม่ยอมศรัทธากันนั้นหรือ فَلَعَلَكَ ب َ ا خ ِ ئ نَفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَ أَوْ ت ََ ه م ج َ ن ة و َ ا ل ن َ ا ر ُ وَالْجَهَنَمُ و َ ا ْ ج َ ه َ ن َ م الْجَهَنَمُ ا ل ْ ج ََ ن َ م ا ل ْ ج َ ه َ ن َ ل ْ ج َ ه َ ن َ م ْ ج َ ن َ م ُ ا ل َ ن َ ا ْ ج ن َ ا ل َ ن َ ا ل َ ن َ ا ل َ ه ََ ا ل َ ه َ ن ُ ا ْ ج َ ه ََ อย่าเศ้าสกขนาดนั้นเสียใจนี่ได้ธรรมดาธรรมดาทำไมอ่นี่เป็นเทคนิคสำคัญบางทีบางทีดาว่าของเราเนี่ยเราดาว่าใครเนี่ยมันมีเรื่องของความรู้สึก คำว่าิจแฝงที่มันจะกำหนดทิศทางของดาวะเช่นสามคนาดาวดาวะสามคนสามคนไม่ละหมาสหมดนะเราจะให้สามคนนี้ละหมาดูสิท่านจะทุ่มเทกับคนแต่และคนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนหนึ่งทุ่มเทกับคนที่เป็นยากคนที่เป็นยากนี่นะเขาให้เวลา ห้าชั่วโมงคนที่ไม่ได้เป็นญาติย่าคนละสองชั่วโมงขึ้นอีกคนหนึง่งใหม่ทุ่งเทกับเพื่อนเพื่อนที่สนิทที่เคยกินเหล้าด้วยกันเคยสนุกสนานเฮฮากันนะนะแต่คนนึงกลับเนี่ยกับตัวอีกคนหนึ่งก็เลยขานไปนะรกนี้โอ้ยไม่ยอมเพื่อนกูต้องช่วยอีกสองคนเนี่ยไม่ได้เป็นเพื่อนแต่เมื่อกดวไอที่เป็นเพื่อนนี่นะชั้นเดือดดื แล้วบางทีนี่ก็พูดออกมาชัดๆแลนะ้นุ๊กูไม่เอา น, น, นอุ๊กไปมายุ่งกับฉันแต่สองคนที่แววมีแววว่าจะรับอะนะมีความแนวโน้มว่าจะรับอะนะเรากลับไม่เคยให้ความสนใจดาวแว่แบบนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่บนบรรทัดฐานแห่งความบริสุทธิ์แล้วมันเกิดจากอะไรมันกิมันก็เกิดจากความรู้สึก ความรู้สที่อาจจะมีเหตุผลนั่นละการศาสนาอาจจะมีเหตุผลนั่นละการศาสนาแต่บางทีเนี่ยมันไม่แฟร์อย่างที่ท่านละวีศรัลลาฮุอะลัยฮสัลลัมกำลังคุยกับชาวกุเรชกุลผู้ใหญ่น้องลองคิดดูสิกำลังคุยกับนายกนี่ดาว่านายกยิ่งลักดาว่าสุเทพอศและพิสิตเนี่ยเขามยอมนั่งฟังอิสลาม เขาดาว่าเขาดาว่าอ่ดีดีก็ยามสุเราต่สี่งสุเราอ่เช็คเช็ผมมีเรื่องศาสนานี้ไม่เข้าใจสอนผมหน่อยดิผมผมอยากจะเรียนรู้อะผมก็มองออไม่รู้เรื่องอะไรนี่กำลังคุยครับนี่ทั้งประเทศเลยนะเนี่ยทุกสีเลยนะมารวมกวันนิดหนึ่งประมาณนี้ มีเหตุผลไหมผมมีเหตุผลสิครับถ้าสุเทพรับอิสลามนีู่ก็บบพสองนี่เรียบร้อยผมคิดแบบนี้เนะี่มีเหตุผลนะแล้วถ้ายิ่งลัก้ า, ดดานู้นอปชนี่มาหมดเลย <c oughs> ใครอรือ <c oughs> หลายคนเยอะๆมาหมดเลย <c oughs> ผมคิดคำนวณแบบนี้อัลลอฮฺ ทูลลบอกนบีอบสวตอลลงเจ้า <t une> in ุณอัมาว่าไม่รู้ะล ok, ัลล่ะเขาจะจักค่ะคุณตาบอดนะกับชาวกุเรชนั่งนบีแค่ทำหน้านิดหนึ่งอย่างเงี้ยกูอ่านลงมาอปรรมนบีถ้านบีไม่ใช่นบีถ้านบีเนี่ยไม่ใช่นบีนะนบีจะไม่คนเนี้ยจะไม่เอาอายะนี้มาสอนรามาบอกเรา ทำไมอ่ะเพราะอยายะนี้อัลลอฮตินบีอัลลอฮตินบีนบีเอามาพูดด้วยความบริสุทธิ์พระเจ้าติฉันทำอย่างนี้พระเจ้าติงฉันบอกฉันว่าทำได้ไงอ่ะทำหน้าบึ้งกับคนตาบอดผู้ศรัทธาหวังว่าไอ้วกผู้หลักผู้ใหญ่นี่จะไม่เกียวให้สิทธิ์กับคนที่มีความมี ความทอมตนกับอาม่ามากกว่าไอพวกคริ่มันยิงทั้งนั้นน่ะสิบสามปีนี่ฟังคุรอานมันไม่ยอมสักทีแต่อันนี้มันรับมาแล้วเนี่ยต้องให้สิทธิกาก่อนเวลาดาว่านี่ต้องมีหลักการกำกับจะให้ควา ม, มรู้สึกพาไปบางคนนี่โดยเฉพาะดาว่าให้เทีกันนะ ดาว่าทางเฟซบุ๊กเดีนี้ทางไลน์ทางดาว่าเป็นมุแล้ดีนี้อ่านดาว่ทาวทั้วว <c oughs> ทงวันทำอะไรดาว่าแค่ทำอะไรอยู่ดาว่าไ่เห็นแค่หลังดาว่าอยู่คุยทั้งวันทั้งคืนแต่ก็มีอะไรที่อยากจะเตือนด้วยนะีคุยคุยด้ความ มันคุยเพราะมันดาว่าตรงนี้เนี่ยพอมันมันยิ่งถ้าคุยกับเพื่ตรงท้ามกคอดมันคุยคุยใจใจทั้งคือทําอะไรอ่ะเช็คกลกำลังดาว่าเขาเย ใ, ใกล้จะหิบหายแล้วเนี่ยใกล้จะหิบาบแล้วเนี่ย บางทีคนกาลังเดือดร้อนละหมาดไม่เป็นอ่านคุณอานไม่เป็นไปสอนเขาดิไปดูแลเขาหน่อยไกลบ้านเสี่ว่าไกลบ้านพี่น้องก็เองพี่น้องก็เองอ่านคุณอานไม่เป็นละหมาดไม่เป็นแต่ทั้งวันนะ่ะดาว่าเฟซบุ๊กเนี่ยลิน ล, ลมันเนี่ย ล, ลินลนมันต้องปรับความรู้สึกนะ มีขนาดอ่านน้องนี่บอกกับท่านเลยปั่ความรู้สึกทําไมอ่ะถ้าจะไปเศร้าไปเสียใจกับคนที่รีบเขา้ากูพ้นนี้นะบีก็จะเสียใจน บ, บีจะไม่มีกําลังใจไปทํางานกับคนที่ต้องการทํางานทําไมอเพราะเสียใจถ้าความรู้สึกมันมีอิทธิพลต่อ ก, การทำงานนะก็ท้อแล้วอ่ะโอ้โหทั้งวันเลยเงนนี้น้าเบื่อทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะทําไมหมดกําลังใจอ่ะหมดไม่มีเลย ความรู้สึกมันมีที่พลนสูงถ้าเราบริหารความรู้สึกมันจะมีผลมีประโยชน์กับการทำงานของเราแน่นอนส่วนมากมการท้อเนี่ยความท้อท้อท้อถอยมันเกิดจากความไม่มีคลาสระวัง มันเสียวมากผมเสียวมากเลยทำงานศาสนานี่มันเกิดที่สังคมของเราเยอะทำงานศาสนาสักปักันเเลิกกันเลิกกันละเลิกกันไม่เอาตกลงเราทำงานศาสนาเพื่อใครถ้าเรื่องมันขัดใจนิดนึงทำงานศาสนาเพื่อใครเพื่ออะไรพอขัดใจนิดนึ่งเลิกเลยและเลิกแบบไม่ทำงานศาสนาเลยนะ ตูงทกทวนตัวเองนะอันตรายนะมันไม่ใช่ว่าเสียหายกับอนาคตี่จะมที่จะไม่ทำงานศาสนาต่อไปไม่มันอันตรายต่ออดีตที่ทำไปแล้วนี่ว่าตกลงมันใช่หรือเปล่าทำเพื่ออนุรักษหรือเปาพอมาถึงจุดที่ขัดใจนิดนึงนนแะแตกกันเลยอัลลอฮ์รุนอันตรายสัญญานะสัญญากองอัลล์ คือถ้าแยกทางกับคนกับกลุ่มนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าทิ้งศาสนาอย่าทิ้งงานศาสนาผมเห็นในชีวิตนี้คนที่แยกทางกนแต่ก็ยังทำงานศาสนาต่อไปอ่างนะนั้นทำดิลนีนแสดงว่าเขามีสัญญากับอเนื่อ์เขามีมีผูกพันกับมนุษย์อาไม่ชอบขี้หนาคนนี้นี่ไม่เป็นไรไปไปหาความหอมกับคนอื่นได้แต่ทำงานต่อไป มันมีความเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนไปได้นะว่าสันดานบุคลิกของคนบางคนนี่ททำให้คนเนี่ยเกียรทำงานศาสนาจนี่เป็นไปได้แต่ถ้าเราทำงานศาสนาเพื่ออัลลอฮ์นี่ต้องมุ่งมั่นไม่เขวไม่หยุดไม่ชะลอไม่ไม่ช้าอันนีขนาดนาบีถูกอบรมเรื่องนี้แสดงว่าเรื่องนี้สำคัญเรื่องจิตใจ พวกเราให้ให้มีเวลาบ้างเนาะ <c oughs> กันวันกันคืนเนี่ยมีเวลาว่างๆเนี่ยเขาเวลาสักานะนาทีสิบนาทีเนี่ยทำสมาธินั่งนิ่งๆเนี่ยแล้วก็นึกนึกถึงจิตใจมีอยากอย่างอนอสรึงางานนู่นงานนี้นียคำพูดที่พูดกับคนนั้นการกระทำจุดยีนอันนี้เนี่ยใช่เพื่ออหรือเปล่าใชพยายามเนะ พยายามแล้วมันเหมือนอะไรมันเหมือนคนที่ติดเครื่องกองน้ําที่บ้านก <c oughs> องอะไรที่มันจะเข้าร่างกายสรีระนี่ถ้ามันบริสุทธิ์สะอาดนี่แน่ น, นอนมันจะมีผลต่อร่างกายต่อความแข็งแรงกองสิคาพิโลอะไรที่เราใส่มาเพิ่มอิมานของเราเนี่อย่าให้มันเป็นความรู้สึกที่ปลอกลวงดูเหมือนน่า อีมาดูเหมือนัวยมเกรงดูเหมือนัวทำงานศาสนาแต่โดยข้อเท็จจริงเนะี่ยไม่ใช่ <c oughs> ผู้ศรัทธาจะต้องละเอียดก่อนเร่งนี้นัไม่ต้องใช้เวลาเยอ ะ, อะและอย่าไปเคร่งเครียดและเป็นคนขี้สงสัยทุกเรื่องเลยจนจะ น, นก็นั่งไม่ทำอะไรเลยเนะี่ยไม่ใช่สัญญาณว่าเราพิจารณา ถูกทางนะคือเราไม่ขาดงานสงสัยตัวเองแต่ยังทําต่อไปแต่ถ้าหากว่าสงสัยแล้วก็หยุดเหมือนคนนี่สงสัยเรื่องอนนั่ละหมาดจนไม่อ่านนั่ละหมาดสงสัยเรื่องละหมาดจนไม่ละหมาดเลยเนี่ยใช่ป่ะแต่ถ้าเราสงสัยเพราะเราเกรงว่าแต่ละหมาดไม่ซ่อมจะละหมาดไม่ซ่อมันจะชำระไม่ซ่อมแต่เราก็พยายามและไม่ทิ้งมันแสดงว่าเรายังอยู่ในร่องในรอยในนาทั้งที่ถูกต้อง มุนาฟิกที่อยู่ที่มาดนเนี่ยอ้างตัวเป็นมุสลิมพอเจอวิกฤตแล้วนี่เชนกุรชจะมาบุกรุกมดนจะมาล้อมมดนวมุนาฟิกนี่ได้เรื่องแล้วก็ไปเป็นพันธมิตรกับยูเป็นพันธมิตรกับกุรชไปไปทาความสัมพันธ์กับนุกับนี้รีบเร่งสู กาปรปฏิสทธิศรัทธาขเขาก็บอกว่าอย่าเสียใจหรอกอย่าเสียใจคือถ้าแปลถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านอย่าเปลืองใจอย่าเปลืองใจทำไมอ่ะคือคนทรยศจ่ะจะไปเสียใจคนทรยศทำไมมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปเสียกําลังใจกับพวกนี้มนอาานบฟวิษยม วันนทูมิ่งกลับุหมบรรดาผู้ที่รีบไปสู่การปฏิสัตธานิตจากหมู่ผู้ที่กล่าวด้วยปากของพวกเขาว่าพวกเราศรัทธาแล้วโดยที่หัวใจของพวกเขาไม่ได้ศรัทธากายอมุนาบป็ปากก็บอกว่าเป็นมุสลิมแต่หัวใจยังไม่ใช่นีฟเป มนาฟิกมูนาฟิกนี่คือประธานคนที่เป็นมูนาบริเลกมูนาฟิกและการที่เป็นมูนาฟิกในภาษา阿拉伯นามนะก็คือมีฟักมีฟักเนี่ยการสับหลับความไม่ชัดเจนอ่ะเนี่ยมีฟากมีฟักนี่มันจะมีสองประเภทมีฟากเต็มเต็ม ก็คือหัวใจในคาเฟ่เต็มๆเลยแต่พ <unc> <Gao eten. S 1> ูดว่าฉันเป็นมุสลิมพูดว่าฉันเป็นมุสลิมแต่มีนะพูดว่าเป็นมุสลิมแต่หัวใจเนียงปนอปะปนอันนี้คือเรื่องนิฟอามลีถ้าหัวใจเต็มเลยคูฟูเต็มมันก็เรอนิฟักอคดนิฟดานอควด้านนี่คือปฏิเส อย่างสิ้นเชิงต่มีนี่เถอะนีฟะกาฮมาีความประพฤติการปฏิบัติบางประการเนี่ยเชิงกูุตอกย่างหนึ่งศรัทธาอิมามอิบนตามีว่าว่าว่าก็ยัสตัอฟิลมุสลิมีนวานิฟากนมีความเป็นไปได้ามุมินคนนึงมุสลิมคนหนึ่งอาจจะหัวใจของเขานี่อาจจะมีทั้ง إ ي م ا และนิฟากก์ปนได้ เป็นไปได้เช่นรักอัลลอฮ์รักมากแล้วรักดาราดาระกับฟินรักมากเหมือนกันแล้วพอไปดูในมือถือเขานี่หมดเลย มีทั้งคุณอ่านให้ฟังและมีอัลบั้มของดาราด้วยดาราเป็นกาฟิตพฤติกรรมของดาราแม้จะว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามมนนะนวนแล้วเป็นสิ่งที่ศาสนาต้องหา้ารักอัลลอฮ์ก็ต้องรักคําสั่งของอัลลอฮ์เคารพในข้อห้ามของอัลลอฮ์รักนะแต่ไปรักอัลลอฮ์และรักศัตรูของอัลลอฮ์ก็คือคนที่เป็นป เป็นเป็นศัตรูอะเป็นคนที่ประกาศตัวว่าไม่เอาลกาอลลอฮ์รักทั้งสองทั้งสองอัลลอฮ์สั่งอะไรอดาานีมันไม่เอาเราก็รักคาสั่งอัลลฮ์แต่รักคนนี้ไม่เอาหลัการขลลอฮ์อัลลอฮ์ามส่ามกล้ามกินล้าแต่เรารักดรากิล้วดูสิ แล้วหัวใจแบบนี้เนี่ยมันจะมันจะมีความสุขมันจะมีความสงบไหมจะบอกให้คนบางคนแนหะที่มีพฤติกรรมแบบนี้นยอาจจะพวกเราได้อย่าไปอย่าไปพูดถึงคนอื่นนะอาจจะเป็นพวกเรานี่แหละที่มีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยในหัวใจมีทั้งสองอย่างเพราะอะไรเป็นกลางลอนที่สุดเลยครับนี่ พี่ยังไงเอผมเป็นกลางครับผมเป็นกลางหล่อเลยที่ไหนรู้ไอ้เป็นกลางนี่มุลนิธิทั้งนั้นน่ะทำไมอ่ะอันนี้อันนี้มันผิดอันนี้มันถูกพอเชิญมาพูดนะถ้าพูดว่านี่มันผิดมันก็เสียฝั่งนี้ถ้าพูดว่านี่มันถูกมันก็จะเสียฝั่งนี้ทำยังไงผมเป็นกลางมุลนิธิชัดเนี่ยถ้ามีผิดและนะตัูก็หน้าตรงพูด เขาไม่อยากพูดเนี่ยหูปากเลยคำว่าเป็นกลางเนี่ยก็ไม่ต้องพูดเพราะอยากจะหลอกคนเดียวนะเพราะผมเป็นกลางก็ไม่ใช่ผิดไม่ใช่ถูกใช่ไหมจะได้เป็นเพื่อนกับทั้งสองเพื่อนกับคนผิดและเพื่อนกับคนถูกไม่ได้มันอยู่มันมมันมาสะสมอยู่ในหัวใจคนที่ละหมาด อะละหมาดเสร็จแล้วอ่เปิดอัลบั้มดาราโอ้แลก็ น, กนึกถึงดาราดูร้องไห้ดาราบางคนนี่ตายไปแล้วนี่ตายไปแล้วมายุกี่สิบปีเนี่ยอยู่น ร, รกกรากก็ไม่รู้ลแล้วรอลรำตายไปแล้วเป็นสิบปีนี่ก็ยังจำลึกถึงดาราเนะี่ยวันตายของดาราก็มาฉลองกันมุสลิมเราได้แท้เลยเนี่ยทรงของดาราก็ยังตัดทรงของเขา ตายเวลาไม่รู้ก no en ี่สิบปีนะกี่รุ่นแล้วนะแตยังเห็นเยื่อมใสยังล้ำลึกเราเวลาเขาประกาศมีรวมพนรวมตัวแฟนดาราคนนี้เนี่ไปฮัจีกันหมดเลยไปฮัจีเลยติดตัวไปไปฉลองเหมือนที่เขาจะฮัจีบนโลกนี่้ดูบนโลกนี่เขาจะไปฮัจีกันแล้วที่บราซิล ถ้าดีจริงๆะต้องขอวีซ่าไม่ต้องขอวีซ่าไปตาวาฟตาวาฟตวาฟตาวาฟสนามบนตาวาฟ แ, แล้ว <laughs> แล้วก็มีระ บ, บาไม่มี บ, บมีมาแล้วมาแลว้มลวมาแล้วมาแล้วนี่ไงมาแลว้ว เพราะละ บ, บัตละบยกันเหฮมาละเบยในะเจ้ามาแสดงความรักพักดีแล้วนี่นี่ก็เหมือนนี่ก็เหมือนกันเขามันอยู่ในหัวใจอะนะคนที่มีทั้งสองเนี่ยเขาภูมิใจว่าเขายังนึกถึงอัลลอฮ์เขายังภูมิใจว่าเขาก็ยังละหมาดอันที่จริงปฏิเสธไม่ได้อิบาดาต่อัลลอฮรักพัก ด, ดีต่ออัลลอฮนี่มันให้มีความสุขเสมอ ขอให้คนนั้นนะ่ะเป็นฟาซิสเป็นคนเแย่แก่ในมิพละหมานี่อัลลอฮ์นี่ผู้ใจบุญ น, นะอัลลอฮ์ต้องให้อัลลอฮ์ไม่เคยให้ใครผิดหวังเลยเพราะมิพมละหมานั้นต้องมีความสุขเขาก็บอกว่าเออถึงกับมิละหมานั้นถึงแบบมีความสุขเขาเกินดกว่าอย่างงี้ไนงะโอเคแล้วแต่ถ้าเขารูนะว่าถ้าขาจัดไอ้ไอ้ส่วนเน่าที่มันถ้าขาจัดนี่โอ้โหความสุขมหาศาลที่ยังรออยู่นี่เขาไม่เคยคิดเนี่ยไม่เคยลิ้มอ่า ว่ามันจะขนาดไหนเขาเคยเหมือนคนนีประทานโทษบางทีเราเนี่ยบางคนพฤติกรรมบางอย่างนี่เราทำแบบอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้เมื่อมันเหมอนตั้งตัวเหมอนแล้วทายัางไงอะ่ะเอาน้ำเอ า, เอ า, เอาน้ำหอมมาฉีพี่น้องลองคิดดูสิไอ้น้ำหอมเนี่ยเขาใช้เวลาเป็นสิบสิบปีจะได้ผสมประสานสารต่างๆจะได้กินแบบนี้แล้วพอมาผสมประสานกับเงื่อเรา อือเรานี่มันบางคนเกิดกินบูดูกินสตอกินอะไรนี่พี่อลองลองคิดดูสิมันจะมาผสมกับ น, น้ําหอมมีอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมแต่คนที่ทําแบบนี้นี่พฤติกรรมแบบนี้เนี่ยเอาเหม็นหนักอาชีพน้ําหอมฉีดฉีดเขาก็รู้สึกว่าเขาหอมเขาทําอย่างนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาหอมแต่ลองไหม ก่อนเลียชีดน้ําหอมนี่แปปๆน้ำถูๆถูๆถูให้นะ ใ, ให้สะอาดเลยนะและกลิ่นน้ําหอมนี่มันจะบริสุทธิ์มันจะไม่ปนกับกลิ่นสตอรบูดูนี่มัน จ, จ, จะแยกกลิ่นเออพอทาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ากลิ่นมันมันไม่เหมือนกั น, ก, นก็นี่และครความสุขของคนดีทำความชั่วทําความดีบ่อยหรืออาจจะมีเรื่องที่เป็นนิฟ้าตามเมลีนี่เป็นพฤติกรรมที่เยี่งคนกาเฟตแล้วก็มีพฤติกรรมเย่ยง ผู้ศรัทธามันก็มีความสุขอย่างนั้นน่ะแตบบ่ปะปอนน่ะ <c oughs> ลองขจัดสิครับลองขจัดนบีบอกว่านี่มีพวกเนี้ยพวกมุนาฟิกนี่แต่ประเทนี้เนี่ยพอาดได้โอกาสเลยอะนะกูฟุมมาลุดเลยรีบเลยบางบางอย่างในสังคมเราก็ ประมาณนี้ไม่อยากจะเทียบมากนะครับแต่มันมีอะไรให้เห็นเวลามุสลิมเราเรื่องศาสนาแท้ๆนีชาติหรือบางทีไม่ร่วมเลยไม่ให้ความช่วยเหลือแต่บางทีเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องเรื่องกูฟุตกูฟุตชัดๆอืม เชิญมุสลิมมาช่วยงานสุเราไม่มาถ้าพระพิบเป็นงานวัดงานใหญอะไรนะึงไปอืมุสลิมมามาฟังบรรยายหน่อยมาเติมอิมานหน่อยมุสลิมต้องรีบนะมาเติมอีิมานหน่อยอมาละมาจะมาหนีมิมาเติ ม, มนหน่อย ให้ไปฟังคอนเสิร์ตตัวเท่าไห ร, ไหร่พันหนึ่งอะไรต้องสองตัวรีบลักษณะใครๆของบุนาฟิกนี่พวกเราต้องระวังอัลลอฮฺบอกว่าถ้าเป็นพวกนี้นี่นบีอะเปลืองใจกับพวกนี้ไม่ควรและมีกลุ่มนึงว่ามีละลาฮีนะฮาดุกกลุ่มพวกกิวพวกพวกิวนี่ยเขาไม่หวังอะไรกับนบีอยู่แล้ว <c oughs> ไม่มีพฤติกรรมที่เลวร้ายที่ a l a h เตือนท่านนบีสุลต่านเราจะได้รู้มสันดานละปกครองพวกนี้ได้สองคนนี้นี่มีอะไรสำมาอูนิลขะบฟันบีพูดอะไรอย่างนึ่นะเอาพูดอีกอย่างหนึ่งฟังนบีสมาอูนมาฟังมาฟัง เขาอกออนี่พวกนูนน่ะฟามาฟังนบีอันนีเริมดีแล้วนีอัลฮัมดุลลาฮ์ทิใจดีละัลฮัมดุลลาฮ์ดีขึ้นนี่ต่ว่าสมเอานี่ยลี่กันทเข้ามาฟังเพื่อเอาไปโกหกเอาไปเอาไปโกหกเอาไปเอาไปบเบือนซึ่งจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับไอ้เนี่ย س م ع و ن ا للكذب خ و ف ا ร ترى عورن رأوني بقهو سمعونا للكذب سمعونا لقوم آخرين لم يأتوا ه ما ف ัง تماية؟ آه بـن ما صوت نام. ما ت ب بئسأ سادن ما ف ัง ทำไมอะไอ้พวกหัวโจกนี่มันไม่กล้ามาฟังมันก็ส่งลูกน้องมันเนี่ยเฮ้ไปฟังดิมันดีว่าอะไรว่าไงก็มาบอกด้วยนะคือไปฟังเจตนาไปฟังไม่ได้ไปฟังจะได้ดูเนี่ยมีข้อเท้จริงมีดายะามีอะไรที่มันจะปรับชีวิตของเราหรือเปล่าไม่ฟังนี่ว่าเป็นหน้าที บางทีก็พวกนี้น่าสงสารนะไอ้พวกชดแรมพวกสายลับนี่ต่กอนนู้นสมัยฮสัสันอัลบันนะไรหมอบอนีขึ้นไว้เขานี่ในประเทศนี่ทำให้ความมั่นคงนี่ระแวงนี่จะเอาศาสนามาปกครองเนี่ยเขาก็เลยส่งส่งพวกสายลับนี่ไปไปพังบรรยาย ไอ้ฟังบัร ญ, ญาเนี่ก็ไม่เท่าไรแล้วไอ่อย่างที่พี่นั่งฟังนี่แหล ะ, ะอากาศที่อีบมันก็ดีนะไม่ร้อนแบบบ้านเรานั่งฟังสบายะอะไรที่มันน่าสังเกตกระจุกอ่งกระจุกที่พอมาถึงเดือนรอมฎอนแล้วนี่ทางอาเนบันนี่ก็ประกาศว่าเราจะรียมมาตุยมุลเลล แต่จะพิเศษหน่อยนะครับสําหรับสมาชิกของเราเนี่ยแล้วก็ละหมาดตะหัดยุดนี่นานมาไอ้วกหัวหน้าสายลับนี่มันก็นั่งอยู่ในออฟฟิศของมันนี่มันไม่รู้พอสายลับมันไปแจ้งบอกว่าท่านครับเขาาจะมีเกียร์มุลเลนครับเอาไปไปร่วมเขาก็นึกว่าเกียรมุลเลนนี่แบบนั่งฟังบรรยายอะครับเร่ละหมาดอิชาร์เรือละหมาดมกริบที่ไหนรู้อัลลอฮฺอักบาร นู่นเข็ดเลยครับกลับไปหาเจ้าหน่ายเจ้านายครับไม่เอาแล้วไม่ฟังแล้วน่าสงสารเห็นไหมที่คุณไม่ได้ละหมาดเพื่ออัลลอ์เนี่ยมันจะมีความสุขได้ไงเช่นกันคนที่มาละหมาดมาร่วมฟังบรรยายไม่ได้ทำเพื่ออัลลอ์ย่าหวังว่าจะได้มีความสุขทำทำไมอ่ะ มาฟังบรรยายทําไมอ่ะให้เสชคเห็นหน้าแล้วกันให้เชคเห็นหน้าแล้วกันเพราะเชคไม่เห็นหน้าโดนแซวตลอดนะไปไปโผล่ให้เชคเห็นหนม่มีความสุขครับพีนะ่น้อไม่ชอบไปผมเศร้านี่ก็บอกผมไม่เศร้าอางที่มไม่เจอพี่น้องก็แก่คิดถึงนะครับแต่เขาก็ตีความไปนู่นไปนี่นะ ไปหายไปเลยไ่หายไปไหนไปอยู่ไหนไปแต่งงานมาหรือยังอะไรเงี้ยแซลอ่างเงี้ยเออเเราโหยก็แ <c oughs> สดงความคิดถึงพอตอนนี้ผมกระดิกยังไงเนี่ยก็ถือว่าหาเรื่องกับคนอื่นแล้วจะให้พูดกับพี่น้องอยังไงไม่เห็นพี่น้องมานานแล้วแล้วผมจะเห็นพี่น้องที่ไหนก็จะเห็นที่บรรยา ย, ยานะเห็นหน้ากันพอไม่เห็นแล้วก็เออเจอกันก็นคิดถึงนอ่ะ เช็คเอีกแล้วโดนเช็คฮัใจผมรู้ยังไงอใจรู้ยังไงอ่ะใจสะแสดงความรู้สึกยังไงอ่ะทีหายไปไหนมาอะไรเนี้ยเช็คเอาอีแล้วเช็คโดนโดนเช็คอีกแล้ว check check อ๋อไม่ครับอก่ออาวข <c oughs> ึ้กิจกรรมด้านศาสนานี่ผมพูดอยู่เสมอ น, นะครับต้องทาด้วยความสมัครใจทําได้ทําไปทําไม่ได้อย่าทำเลยอย่าทำเลย ทำในสิ่งที่เราสมัครใจเรารู้สึกว่าเราถวายต่ออัลลอฮนี่เพื่ออัลลออย่างเดียวไม่ได้ทำเพื่อมนุษย์นะครับอนี้บวกนี้บวกมูนาฟิกและยูนเนี่ยมันก็จะมีสองประเภทเนี่ ย, อาาอ ย, อดดยขอให้มีอามาน่าสิครับมาฟังอะไรเนี่ยก็ไปบอกตามที่นะบีพูดนะไม่ใช่บิดเบือนซะด้วย เสียหายไหมเนี่ยเสียหายคนที่ตั้งใจบิดเบือนหลักการศาสนาถ้าเป็นมุสลิมมาตั้งใจบิดเบือนคำพูดของอัลลอฮ์คำพูดของรัชชูเนี่ยอุปโลกเรื่องของศาสนาที่อัลลอฮ์รัสซูลไม่ได้พูดตั้งใจนะอัลลอฮ์ท่านนะบีว่าไงฝรีย์ตะโบวะมะกาเดฮูมินตรียมโตอีตินรกเล เตรียมที่นั่งจองไว้ที่นั่งทีนี้มูนาฟิกและยูเนี่ยด้วยความรู้สึกที่เขาเกียดชังท่านนาบีอยู่แล้วต่อการทําลายท่านนาบีอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเรื่องศาสนาที่นบีพูดในนั้นะไปบิดเบือนที่ไปที่มาของเรื่องนี้นี่มันคืออะไรฟาดัตฟาดัตเป็นเมืองกระสี ที่มีอิมพัลล์มเยอะมากมก็สิแต่ก่ อ, อนนุ่นยวเนี่ยอยู่ในเมืองฟัดักทั้และที่หลังนี่พอเกิดสงครามนาบีก็ไล่ยูออกไปฟัดักนี่ก็กลายเป็นทรัพย์สินของใบตุลมาลส่วนนึ่งจากฟัดดักนี่มาเป็นของท่านนาบีสุสต ล, ลต า, านนาบีละสัลล บรรดานาบีราซุ่นเนี่ยจะไม่มีมรดกมอบให้ทายาททีนี้ท่าหญิงฟาติมาเนี่ยไม่รู้ก็เคยไปทวงมรดกของท่านนบีอบูบัคร์สอนแล้วบอกแล้วว่านบีไม่มีมรดกนะฟาดักนี่เป็นทรัพย์สินของท่านนบีแต่นบีบอกไว้ว่ า, วาถ้าฉันเสียชีวิตเนี่ยเงินฉันเนี่ยต้องทรัพย์สินฉันเนี่ยต้องออมทายาทนี่ไม่มีสิทธิ์ได้ไม่อย่างงั้นชาวบ้านก็จะพูดกันตลอดบุญญาเนี่ย เนี่ยนบีหาตังแต่ได้ให้ทายานบีแสดงความบริสุทธิ์ตามเจตนารมณ์ที่เราบอกที่เลาบอกว่าคุณละสลุกุมาอะไรอจรไม่มีไม่เคยขอค่าตอบแทนนี่นะไงม่มีเข้าไปุนมากหมดแล้วแล้วก็มีละ่ะนบีจะยอมอยู่ในห้องสองเมตรคูณสองเมตรอ่ะอยู่ในห้องนี้ไม่มีพร้อมไม่มีกระเบื้องไม่มีอะไรเลย แล้วจะนอ น, นอนบนเสือจนกระทั่งรอยเสือนี่ก็ประทับจิตแก้มนา บ, บีน บ, บีมีเงิน ม, นมหาศาลที่สามารถอยู่แบบราชา ส, สินของดุนยานี่นะแต่ที่มากกว่านี้ที่อามาเสเนนา บ, บีนนะาเอาไม้ภูเขาอ้พุทนี้ให้เป็นทองคำเอาไปใช้จ่ายไม่เอาถ้าท่านนาบีจะเอาแบบเอาดุนยานีน่นาบีจะทำแบบนี้ก็ยืนงันแนบะเสมอต้นเสมอปลาย สับสิ้นนะครัองค์เขาเบตุมาท่านหญิงฟาฟิมาไม่รู้ก็เคยไปทวงมรดกนบีท่านอบูบักรก็บอกสก็โอเคแล้วพออาลีนบีต้อนรมาเป็นขลิฟะก็รู้ก็ไม่ได้เอาฟาดักนี่มาคืนจากเบตุลมานี่มาคืนให้ภรรยาให้ลูกๆหลานๆซึ่งเป็นมีสิร์มรดกอาลีก็ยืนยันเหมือนอบูบักระยมีคนเบด้วยนะทุกวันนี้นะครับก็ยังทวงมรดกฟาดัก ฟาดักฟาดักฟาดักฟาดักสมัยของท่านนาบีดังเดิมนี่นะฟาดักเป็นของยูลและนะบีขับไล่ไปชาวฟาดักนี่นะเป็นยูวที่มีฐานะคนรวยอย่างนั้นเถอะแลวพวกวัยรุ่นนะ่ในฟาดักนี่ก็คือพวกพว ก, พวกเจ้าสำราญ น, นี่ในวัยรุ่นสองคนนะนะ่นะจีน่ากัน และในคำบีของเตา่าร้อนนี่ครทำซีนาให้างด้วยหินให้ควางด้วยหินแต่เขาไม่อยากให้ควางด้วยหินทำยังไงก็เลยสง่สงส่งจดหมายไปยังมาดีนายูที่ดดดดอยู่ามาดีนาฟัดนีมาอยู่เหนือมาดินาส่งไปจดหมายยังลูกดีลูกน้องเขา บ, ขาบรดดุนัดีกับบรุกรซา นี่เรามีปัญหาเกิดขึ้นอีกแล้วไอเด็กมันไปดีนาะกันแล้วตามหลักของเรานี่ดีนาหนึ่งก็ต้องขว้างด้วยหินจนตายดังนั้นไปถามมูฮัมมัดสิถ้ามูฮัมมัดบอกว่าให้ขี้นอย่างเดียวเอาเอามาเราจะชาร์จแต่ถ้าเขาบอกว่าให้ขว้างนี่นะพระวังไม่เอาเก็บไว้อกปิดอุปะ ถ้ามฮัมมัดบอกว่าเช่นอย่างเดียวอะนะเราก็จะปฏิบัติอย่างนี้ถ้าวันเกียรมาเราก็จะไปตอบบออัลล์ว่าแกบีสุดท้ายนี่พวกเขาบอกว่าเชื่อเหี้ยเด็กอยู่ حرف ูนัลกลิมะมิบ้างีมัวด้วยมันบนนาบีนี่ก็ไปถามนบีตะกลงในคุตอานเนี่ยในคาสังสอนของท่านมบีว่ายงไง นบีบอกว่าให้กว้างความวหินเขาก็ไปบอกไปบิดเบือนบอกบอกกับพวกฟาดักนี่บอกว่าไม่ตรงกวา้างพอนบีรู้แล้วนี่บอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าเรียกผู้รู้อุลมามะที่ดังที่สุดของพวกยิวเชื่ออะไรอะจิบริลบอกกับ น, นบีชื่ออิบลูซูรีย์อิบลูซูรีย์นี่ เป็นแบบว่าอุลามาที่ชาวอยู่ทั่วโลกตอนนั้นเขานับถือกันพอเข้ามาน บ, บีถามว่าขอถามด้วยพระนามของอัลลอ์ที่พระองค์ให้เตารอแก่พวกท่านช่วยเหลือน บ, บีมูซาของพวกท่าน ใ, นให้พ้นจากภัยอันตรายของฟิราาวน บ, บีก็ย้ำในความเมตตาที่อัลล์ให้แก่บรรดิศไทยต่อรองในเตารอที่คนที่ทำพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยต้องลงโทษยังไง <c oughs> ท่าบอกว่า โอ้โมฮัมมัดถ้าถามแบบนี้แล้วนี่ข้บบาพเจ้าก็ต้องตอบตรงว่าในเตาร้อนนี่คือต้องค ว, ว้าแล้วพี่บอกเอาแล้วทำไมไม่ปฏิบัติกันบอกว่าไอเรานี่พอคนรวยคนมีฐานะนี่เราไม่ปฏิบัติจนกระทั่งมีอยู่ยุคหนึ่งกษัตริย์ลูกพี่ลูกน้องเขาทำาีินาเขาก็ไม่ลงโทษคว้างด้วยหินเคี่ยนอย่งเดียว พอมาทําอีกวันเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านนี่ทำดีนาเขาก็เลยเอามาคว้างดยหินขเขาก็ไม่ยอมจนกว่าจะให้ไอ้ลูกพี่ลูกน้องของกษัตริย์นี่มาโดนคว้างเหมือนเหมือนเรากษัตริย์นี่ก็เลยเรียกภูรู้ช่วยหน่อยภูรู้ของเยโฮธนี่ก็เลยบอกว่า <c oughs> อย่างนั้นเราร่างบทบัญญัติใหม่ขึ้นมาเนี่ยที่เขาบอกก็เพิ่มในคัมภีร์เนี่ยเพิ่มขึ้นมา จะเป็นบทบัญญัติเดียวจะเป็นคนรวยจะเป็นคนต้นก็มีบทลงโทษอันเดียวคือเครียดจะได้สบายใจกันนี่แหละคับยุ حرفون الكلمة م ม بعد مواضيعه ฮะเราอ่านนบนก่าน้นตั้งแต่แรกเลยเนี่ยเพราะเราผ่านไปแล้วหลายช่วง โะยัีอู่พนกบมอนกเยที่เขาชอบฟังคำมุสาคือคำแป้นี่มันก็พอใช้ได้นะคือชอบคาชอบฟังคำโกหกคำเท็จที่ไม่ถูกต้องที่ถูกบิดเบือนแต่คำเท็จคำ โกหกนี่คือคำพูดของเขาแต่ตัวรามในเนี้ยลีลกะดิบิสมเอานะเขาฟังลิ้นเพื่อฟังเพื่อไปโกหกไม่ได้ฟังเพื่อไปไตรตรองและศรัทธาและเชื่อและปฏิบัตินี่คือข้อแตกต่างระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาผู้ที่ไม่เอาตั้งแต่แรกเลยเนะี่ยมาฟังทุกคนแตฟังเอาไปพิจารณานะต้องมีผลแนะ มีผลแน่นอนแต่คนที่ฟังจะได้เอาไปจับผิดเอาไปบิดเบือนเอาไปอะไรแน่นอนไม่เกิดประโยชน์แน่นอ น, พ, น, น, อนพวกเขาชอบฟังเพื่อพวกพวกเพื่อพวกเอี่ยนที่ไม่ได้มุ่งหาเจ้าคือพวกที่ไม่มุ่งมาหานบีมาฟังจากนบีนะ อันที่เขาอยู่บ้านคอนัะที่เขาคอยฟังฟังเบาะแสนะพอเก็ส่งคนมาคนมาฟังไม่ได้ฟังให้ตัวเขาเองแต่ฟังให้คนมุ่น้ที่ไม่ไดีมุ่งมาหานาบีคืออุบายที่เขาเตรียมไว้เนี่ยจะได้ทําให้ท่นนานอบดเบียร์เสียหา ย, ยานะอย่าไปฟังเขาแต่ส่งคนไปฟังอ่ า, านอับดบีพูดอะไรผิดน่นะนะเอาจอมที่เลยท่านอบีพูดอะไรที่ไม่เขาท่าเนี่ยเอามาจมที่เลย น, นี่อุบายของเขา จะพริบุนัลเคลียมินบ่าดีมวะดิอัยฮีพวกเขาบิดเบือนบิดเบือนบรรดาถ้อยคำมินบ้าดีมวะดิอัยฮีหลังที่มันถูกวางในที่ของมันถ้อยคำของอัลลอที่วางไว้สำหรับคนที่ซีนาก็ควางด้วยหินอัลลวางไว้เขา็บิด هم ت م ز ن ا و ك ي ا ك د ب ر يحرفون الكلمة من بعض مواضيه. يقولون إن أتيتم هذا فخذوه إن لم ت ؤ ت و فاحذرو. ا ف ه ؤ ل ا ا ه ل ا ا ه ا ء هؤلاء، هؤلاء، هؤلاء، هؤلاء، هؤلاء، هؤلاء، هؤلاء، ه ؤ ل ا ا ء ل ا ا ه ا ء هؤلاء، มิได้รับมันก็จงระวังไม่ได้รับที่ต้องการนี้ก็คือนบีก็ให้เคขี้ยนอัะนะนะั้นที่เราต้องการเพราะเราไม่ต้องการคว่างไนงะแต่ถ้านาบี บ, บอกว่าคว่างด้วยินนั่ะรนะวังเหยียบแล้วจะบุ้นแคลมีระวังนะคนที่มีอคติกับศัจธรรมนะไม่มีวันที่จะรับสัจธรรมรับประโยชน์จากศัจธรรม แม้รู้ว่าอะารแม้รู้ว่าเขาทำใจไว้แล้วนะว่าศัจธรรมมันต้องเป็นอย่างนี้ไปเรียนไปฟังไปอะไรนี่มันไม่ตรงกับที่เขาต้องการแล้วเมื่อไหร่เขาจะได้ความจริงและศัจธรรมไม่มมันทุกคนนะครับทุกคนต้องเปิดเปิดกาวิทย์มาเชิญพูดเลยมีความจริงศัจธรรมยังไงอะครับ บางทีกาเฟเนี่ยพูดความจริงเลยสัจธรรมบางทีพูดความจริงลเงงลยอมรับก็ต้องยอมรับสิแตาพูดความจริงถ้าเขาอะไรดีๆมาสอนเราที่เป็นความจริงนะนะต้องเปิดอย่าบอกว่ากาเฟ่แต่กาเฟมันจะพูดความจริงได้ไงนี่คุดกาคาเว่ไพูดจริงนี่ เราอยู่ในสังคมที่มีต่างศาสนกเยอะนะครับพวกเราไม่ควรที่จะปิดกัน้นชีวิตของเราสังคมของเราจะประโยชน์ที่จะได้จากพี่น้องต่างศาสนาเรื่องสำคัญโอกาสที่เราจะได้ประโยชน์มหาศาลมันขึ้นอยู่ที่ว่า สมองของเราหัวใจของเรามีสเกลภาพในการที่จะไตร่ตรองใช่ไหมอะไรผิดอะไรถูกเพราะเรา ม, ม, มีบรรทัานเปิดเปิ ด, เ, ปดเราไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเรามีบรรทัานชัดเจนเลยเนี่ยที่ถูกต้องที่มาจากอัลลอฮฺเราสุ่นเนี่ยจะถูกกรองโดยปริยายแต่ถ้าเรากําหนดแล้วเนี่ยพิศ ท, ทีของเรากับคนที่พูดกับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราไม่รับเลยปิดกั้นเลยอ่นะโอกาสที่จะได้ประโยชน์มหาศาล น, นะครับ โดยเฉพาะกับคนส่วนมากที่มิชิมุสลิมที่อยู่กับเราจะเป็นเพื่อนจะเป็นอาจารย์จะเป็นใครก็ตามได้ประโยชน์มหาศาลเรื่องนี้บางคนจะต้องใช้ชีวิตเป็นสิบสิบปีกว่าจะกว่าจะถึงกว่าจะถึงจุดที่ยอมรับในเรื่องนี้ด้กับความยิ่งปฏิเสธปฏิเสธกับความยิ่งนี้ไม่ได้หรอกมันถึงจุดนี้ต้องยอมรับ ยี่โมงละเยอะละคงตรงยุติเพียงแค่นี้นะครับลงชมวาอยันนี้พอมันอายมันยาวหน่อยแล้วก็คงจะมาพูดต่อนะครับในอายันชนะครับในโอกาต่อไปนะครับคุากเพียงแค่นี้นะครับอัสลับมุลลอฮุอะลัยเบะมฮัมมดอะละอบิสัลลัมัลมอะลัยุมรรห์มุลลอฮิบรกะ